Thank you.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 ถูกวินาศ ก, กรรมด้วยเครื่องบินที่เราพงได้ยินว่ามีเครื่องบินไปชนกับตึกเมื่อ7ปีก่อนจนกทั้งตึกมันพังคลือลงมาอันนั้นคือตึก World Trade ฝรั่งคนนี้แกก็มีความฝันตั้งแต่วัยรุ่นแล้วว่าถ้าตึกนี้สร้างเสร็จนะ <c oughs> ก็อยากจะขึ้นไปเดินไต่ลวดที่ขึงระหว่างยอดตึก2ตึกนี้เพราะตึก World Trade มันเป็นตึกแฝด ต, ตึกคู่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 ติดลูกธนูนั้นปลายลูกธนูก็ติดลวดลูกธนูมันก็ทำให้ก็สามารถจะขึงลวดระหว่าง2ยอดของยอดตึกได้แล้วเขาก็เดินบนเส้นลวดนั้นมีไม้สูงไม้ยาวๆอยู่สำหรับเอาไว้จับเพื่อเลี้ยงตัวนัาเป็นคนที่เรียกว่ากล้ามากเพราะว่าถ้าตกมาก็ตายและคิดดูนะอยู่บนยอดตึกซึ่งสูงขนาด300เมตรได้มั้ง ลมก็แรงแต่เขาก็เดินบนเส้นลวดนั่นนะไม่ใช่เดินครั้งเดียวจนนะเดินกลับไปกลับมาตำรวจก็พอได้รับแจ้งข่าวก็ขึ้นไปบนยอดตึกเพื่อคว้าเขาพ่อเขเดินมาเกิดไปถึงยอดตึกตำรวจเกิดจากคว้าไว้ได้เขาก็เดินกลับเหมือนกับเดินเล่นอย่างนั้นนะก็เดินอยู่หลายครั้งในสุดก็เดินจนเบื่อแล้วก็ก็เดินไปให้ตำรวจจับ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 การหยุดกับแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยคือเคล็ดลับความสำเร็จของการทาในสิ่งที่ประหลาดของเขาคือไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปกว่าก้าวแต่ละก้าวเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรที่นอกไปจากตัวเองนอกไปจากกายของตัวแล้วก็ที่เขาพูดอีกอย่างนี่ก็คือว่ามันไม่ใช่อดีตที่เ้าประสบความสาเร็จที่เป็นเวลาที่เขารู้สึก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 ผมไปที่ไหนเวลาเดินเข้าห้องก็จะมีเสียงเพลงบรรเลงถ้าเป็นแบบเมืองไทยก็มันก็บรรเลงเพลงมหมาเลือ้อหมาชัยนั้นแนหะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเข้าไปที่ไหนมันก็ไม่มีเพลงบรรเลงอีกแล้วผมบางทีผมไม่รู้เลยผมอยู่ที่ไหนกันแน่หรือเขาพูดเนี่ยน้เสียงมันก็ว่ายังมีความอาลัยในช่วงเมื่อที่เขาเป็นปนานนาธิบดียังหวนหาอาลัยวันคืนเก่าๆอยู่น้าเสียงของเขาแต่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 หรือว่าเราจะทำเช้านี้ให้ดีที่สุดจะไม่คิดเลยไปไปกว่าเช้านี้หรือไม่คิดเลยไปกว่าวันนี้เพราะถ้าคิดเลยจากวันนี้ไปโอ้มันเลยต้องสออาทิตย์3อาทิตย์กว่าจะเสร็จหรือว่าต้องอีกต้องห้าวันกว่าจะเสร็จพอมันคิดเท่านี้แหละใจ ก, ก็ฝ่อแล้วเพราะมันรู้สึกว่าโยต้องหลายวันในความรู้สึกแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงมันผ่านไปนานเหลือเกินถ้าคิดว่าจะต้อง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 หวันก็เป็นปัจจุบันนะหชั่วโมงก็เป็นปัจจุบันหรือ1นาทีก็เป็นปัจจุบันได้ถ้าเราซอยแทนที่จะไปไปคอยลุ้นให้ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันอู้ดูมันนานนะเชั่วโมง10ชั่วโมงซอยให้เหลือแค่ครึ่งวันช่วงเช้าหรือซอยให้เหลือแค่ชั่วโมงนี้ไม่ต้องคิดอะไรไกลคิดแค่ว่าฉันจะทําชั่วโมงนี้ให้ดีหรือว่าฉันจะทํำครึ่งชั่วโมงนี้ให้ดี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 แล้วคนที่ทํางานแล้วพอในี่ยเพราะใจมาไปปักอยู่ตรงนั้นไปไปอยู่กับเรื่องข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงมันมาไม่ถึงแต่ใจก็ไปปักก็ทําให้ไม่มีเรื่องไม่มีแรงไม่มีความกระตือร้ น, นมันทอซะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมุมมองของเราใช่ใหมนะตั้งใจแต่ว่าวันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เป็นยังไงค่อยว่ากันเมื่อถึงตอนเช้าแต่ฉันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดกําหนดใจของเราให้รับรู้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 ใจวางไว้ไม่เป็นหรือมองไม่ถูกเนี่ยเดินบนไม้ที่อยู่สูงแต่มองมาข้างล่างเนี่ยก็เสร็จอย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยเวลาแกมองเวลาแกเดินเหมือนล้วนเนี่ยตายมองไปข้างหน้านีไม่ได้มองลงต่ําไม่ได้มองมาที่เท้าตานีทอดไปไกลๆเลยแต่ว่าใจเนี่ยจะอยู่ตรงเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวเท่านั้นแหละเพราะความทุ่งคนเราเนี่ยที่มันทําให้จิตใจหวั่นไหยไม่ว่าจะอยู่บน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 มันยังเทียบไม่ได้กับเส้นทางข้างหน้าและความทุกขคนเราเกิดจากการที่เราไปยึด ก, กับอดีตเรื่องราวคนรักปฏิเสธปัจจุบันไม่ยอมรับปัจจุบันทที่คนเราเวลาของหายนะสูญเสียคนรักแล้วก็ทุกเนี่ยก็เพราะว่ามันไปยึดติด ก, กับสิ่งที่สูญเสียไปแล้วแล้วก็ยอมรับปัจจุบันไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคนนั้นไม่ได้อยู่กับเราแล้วหรือว่าเคยมีตําแหน่ ง, งสูงๆเคยยิ่งใหญ่สุดๆในสุดก็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 เจอไฟแดนี่มันงดหยุดมันโมขึทันทีเพราะใจมันไม่ยอมรับความจริงที่เกิดข้างหน้าเรื่องแค่นี้เราก็เห็นได้เลยว่ามันก็ทําให้เราทุกข์ได้ทันทีที่ใจเราไม่ยอมรับแต่ถ้าใจเรามองเออมันธรรมดาใจเรายอมรับมันได้เนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปวอยวายพอเราเลิกบ่นเลิกวอยวายมันก็รู้สึกอาการที่รถติดหรือมีไฟแดงก็ธรรมดาไม่ทุรนทุรายอะไร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 ทำชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดทำนาทีนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำวินาทีนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปเอง